เดี๋ยวเราจะเดินทางเดินทางไกลนิดหน่อยหรือที่เราเรียกกันว่าธรรมยาตรายาตราแปลว่าการเดินเดินเดินไปด้วยธรรมก็คือไม่ใช่เดินแบบเลื่อนลอยหรือไร้ค่าเดินเพื่อเอาธรรมะแต่ธรรมะอยู่ที่ไหน อยู่ที่ไหนอยู่ที่กายและใจเพราะนั้นเวลาเราเดินไปกับกับกายและใจไปพร้อมกันเนี่ยนะเราจะเดินไปแบบที่เรียกว่าธรรมยาตราเพราะเราเดินไปแล้วรู้ธรรมไปด้วยรู้ธรรมในที่นี้คือรู้กายบ้างรู้ใจบ้างเวลาเดินเหมือนเดินจงกรมจงกรมก็คือเดินด้วยความรู้สึกตัวเวลาเดินไปเนี่ยนะ เดินเหมือนปกติเดินธรรมยาตราไม่ต้องมีท่าแปลกๆไม่ต้องทาท่าแบบอะไรเดินขบวนหรือว่าเดินโยธ ว, วาทิศก็เดินปกตินี่แหละมีเพิ่มหน่อยเดียวคือความรู้ตัวรู้ตัวเนี่ยจะรู้ที่กายก็ได้รู้ที่ใจก็ได้นะเดินไปใจลอยรู้สันใจเดินไปไม่ใจลอยรู้กายก็คือรู้ที่กายนั้น ระหว่างเดินไปเนี่ยก็เป็นการฝึกการให้มีธรรมะเกิดขึ้นกับใจแบบชีวิตประจาวันปกติชีวิตประจำวันปกติของเราเนี่ยก็เดินไปเดินมาอยู่บ่อยๆเดินไปเข้าห้องน้ำบ้างเดินไปโรงเรียนบ้างเดินขึ้นห้องนอนเดินลงมากินข้าวเราเดินอยู่บ่อยๆแต่วันนี้เราจะฝึกให้เดินให้มีคำศัพท์ขึ้นมาคำหนึ่งต้นนั้นเองว่าธรรมญาตรา เป็นการเตือนใจตัวเองฝึกเดินเห็นกายเคลื่อนไหวฝึกเดินไปเห็นใจเคลื่อนไหวนะธรรมะย่าตราย่าตราคือการเดินเดินไปพร้อมด้วยกับธรรมนะไม่ใช่เดินแบบไร้ธรรมนะเดินไปแบบมีความรู้ตัวรู้กายบ้างรู้ใจบ้างเดินไปไม่อยากหลงเลยนะ เห็นว่ามันใจลอยบ่อยก็เลยไปพยายามรู้ตัวโดยไปเพ่งที่เท้ารู้ว่าใจไหลไปหาเท้าเดินไปชื่นชมธรรมชาติสองข้างทางใจลอยไปหาต้นไม้บ้างใจลอยไปหาวิวต่างๆบ้างรู้ทันว่าใจลอยเดินไปรถแล่นไปมีควันไอเสียไม่ชอบใจควันรถรู้ทันความไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นรู้ทันโทสะที่เกิดขึ้น มันจริงๆถ้ารู้ทันตั้งแต่ใจไหลไปหารถหรือใจไหลไปหาสิ่งต่างๆเนี่ยก็ยใช้ได้พระพุทธเจ้าไม่ได้รออยู่ที่นูน่นเข้าใจไหมธรรมะไม่ได้รออยู่ที่นูน่นอยู่ที่ว่าเรารู้ตัวเมื่อไหร่ธรรมะก็อยู่ตรงตรงที่ว่าเราเริ่มรู้ตัวเมื่อไหร่ธรรมะอยู่ตรงนั้นเดินไปพร้อมกับทำธรรมะไม่ได้รออยู่ที่วัดเช่นเดียวกัน ถ้าเราจเจริญสติตั้งแต่ตอนนี้นะเริ่มเดินจากนี้ไปเนี่ยธรรมะก็อยู่กับเราเพราะเราใส่ใจกับธรรมใส่ใจกับกายใส่ใจกับใจที่ไหลไปแต่ถ้าไหลไปรู้กับโลกก็เดินเป็นโลกกราตราเดินไปรู้โลกตลอดเลย รู้ว่าสองข้างมีอะไรรู้หมดรู้ว่าใครเดินยังไงรู้ว่าใครเดินท่าสวยรู้ละใครเดินล้าหลังรู้ว่าใครเดินเร็วเกินไปรู้ว่าคนนั้นไม่เรียบร้อยรู้โลกเข้าใจไหมแต่ถ้าเดินไปรู้ทันว่ากายเรากำลังขยับแบบไหนก็นั้นเดินไปกับทำทาในข้อกายรู้ทันว่าใจกำลังเป็นห่วงคนนู้นรู้ใจที่เป็นห่วงรู้ใจว่าไม่พอใจคนนู้นรู้ใจที่ว่ามีโทสะเห็นลูกเราเดินได้ดี มีความสุขรู้ใจว่ามีความสุขเดินจูงพ่อจูงแม่ไปมีความสุขรู้ใจที่มีความสุขเห็นเพื่อนคนนั้นเดินสะดุดขำรู้ใจว่ามีความขำเกิดขึ้นเข้าใจไหมเดินไปกับทาทาคือกายและใจอันนี้แล้วก็ไปสวมดมนต์มีไปสวมดมนต์บ้าไปทำอะไรกันบ้างในที่นูน้นและขากลับทำยังไงเดินเดินกลับเรื่องรนั่งรถอ๋อโอ้เดิน ขาเดียวเอ้ไม่ใช่สองขานั่นแหละเข้าใจไหมเราเนี่ยเดินทางกันจริงๆแล้วชีวิตเนี่ยเหมือนเหมือนการเดินทางนะเดินทางอาตมาเนี่ยเวลาพูดถึงการเดินเนี่ยนะจะนึกถึงการเดินของท่านท่านหนึ่งรู้จักอนาถาบินฑิกเศรษฐีไหมเคยได้ยินชื่อไหมเป็นเศรษฐีในสมัยพุทธกาล อาาถาบิณฑิกาเศรษฐีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยชื่อเดิมชื่อสุทัตต์เป็นเศรษฐีเมืองสาวัตถีมีเพื่อนเป็นเศรษฐีเหมือนกันเพราะเศรษฐีก็ต้องคบกับเศรษฐีก็มีเพื่อนไฮโซมีเพื่อนไฮโซด้วยกันก็มาเยี่ยมเพื่อนเศรษฐีด้วยกันที่กรุงราชคลึกรามาเยี่ยมเศรษฐีที่กรุงราชคลึ่เนี่ยปกติแล้วเศรษฐีเจอกันก็ต้อนรับเลี้ยงดูกันแต่วันนี้มาหาเศรษฐีราชคลึ่ แล้วเศรษฐีไม่มีเวลามาต้อนรับสุทัศตาหรืออนานถ่ายบิณิกาเศรษฐีเนี่ยก็แปลกใจ ว, ว่าวันนี้เขาทำอะไรกันเขามีธุระอะไรทำไมไม่มาต้อนรับเราจนเย็นจนค่าจึงทนไม่ได้ไปถามเพื่อนวันนี้จะทำงานอะไรใครจะแต่งงานในบ้านนี้หรือหรือว่าจะทำอะไรงานเลี้ยงใหญ่โตตอนนั้นไม่มีเขาไม่รู้จักพระเพระนั้นจึงไม่ถามว่าจะเลี้ยงพระหรือเปล่าไม่มี ถามว่าใครจะแต่งงานเหรอเพราะอินเดียเนี่ยนะงานใหญ่ของเคาคืองานแต่งงานงานตายนี่เงียบมากงานตายไม่มีอะไรเลยแบกศพไปไปเผาเท่านั้นเองแต่ ง, งานแต่งงานจะจัดใหญ่โต เ, เลยถามว่ามีใครจะแต่งงานเหรอพรุ่งนี้จะมีใครแต่งงานเหรอบอกไม่มีอา้าวไม่มีทําไมจัดงานเตรียมข้าวของเตรียมอาหารเยอะแยะไปหมดเลยจนกระทั่งไม่มีเวลามาต้อนรับเราบอกว่าพรุ่งนี้ไม่มีใครแต่งงานแต่พรุ่งนี้เนี่ย นิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมทำประสงค์มาฉันอาหารที่บ้านสุทัตต์ได้ยินคําว่า พ, พุทธเจ้าน ะ, ะพระพุทธเจ้าเหรอเนพูดใหม่สิพีสิคือคําว่าพุทธเจ้าเนี่ยกระทบใจเขามากบอกพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วพระธรรมเกิดขึ้นแล้วพระสงค์ที่ฟังธรรมแล้วปฏิบัติตามได้ผลน่ยมีแล้วสุทัตต์เศรษฐีเนี่ยนะนานาถบิณิกเศรษฐีนะโหงั้นเหรองั้นขอไปเข้าเฝ้า พ, พุทธเจ้าตอนนี้เลยได้ไหมเพื่อนบอกว่า เพื่อนไดเป็นเศรษฐีกรุงราชเกลือบอกว่ายังไปไม่ได้ตอนนี้นเป็นกลางคืนไม่ใช่เวลาที่จะไปหาพระรอพรุ่งนี้รอพรุ่งนี้พรุ่งนี้ได้เจอแน่พรุ่งนี้ได้เจอแน่ไปให้ไปนอนก่อนอนาถาบินิกาเศรษฐีก็ไปนอนนอนไม่หลับนอนด้วยความขมใจขมตานอนไงก็ไม่หลับนอนเคลิ้มไปนิดนึงก็ตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาก็นึกว่าเช้านึกว่าเช้าแล้ว จิตที่ส่งไปหานึกถึงพระพุทธเจ้านะแค่นั้นนะจิตสว่างจิตสว่างเนะี่ยทำให้ห้องที่มืดมืดไม่มีไฟฟ้านะสมัยก่อนนะนอนอยู่ในห้องมืดมืดนะ่ยห้องเหมือนสว่างก็เข้าใจว่าเช้าแล้วเช้าแล้วงั้นเราออกเดินทางไปหาพระได้เพราะว่าเพื่อนบอกว่าให้เช้าก่อนแล้วค่อยไปหาพระถามถามเลยว่าพระพุทธเจ้าเนะี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ที่ วัดแห่งแรกของวัดอะไรวัดเวลูวันอยู่ที่กรุงะะราชคฤื่เนาะใช้ได้ใช่ได้วัดเวลูวันเนี่ยอยู่ทางเหนือกรุงะะราชคฤื่เนี่ยนะจะมีภูเขาล้อมรอบแล้วก็เวลูวันเนี่ยจะอยู่ทางเหนืออยู่นอกนอกภูเขาออกไปพอคิดว่าเช้าก็เดินออกประตูมา เทวดาทั้งหลายเนี่ยก็ช่วยเปิดประตูบ้านปกติบ้านของเศรษฐีเนี่ยจะมีกำแพงเป็นชั้นๆเวลาอนาถาบินิกาเศรษฐีเนี่ยเดินเดินทางออกมาเนี่ยเทวดาก็จะช่วยเปิดประตูให้บรรยากาศ ร, รอบๆข้างก็จะมีแสงสว่างของจิตของอนาถาบินิกาเศรษฐีนะที่นึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยนึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วจิตสว่างแล้วไปกระทบกับ มันจะกาด ร, รอบๆเนี่ยดูสว่างไปด้วยแต่พ้นออกไปเนี่ยนะพ้นสายตาไปแล้วเนี่ยยังมืดอยู่นะอนาาถาบิณฑิกาเศรษฐีก็เดินไปเทวดาก็เปิดประตูให้ออกไปถึงถึงเมืองไปถึงประตูเมืองถึงประตูเมืองก็มีเทวดาเปิดประตูเมืองให้พราะคิดถึงพระพุทธเจ้านะความอัศจรรย์ของอาณาถาบิณฑิกาเศรษฐีนะนึกถึงพระพุทธเจ้าเหมือนเราเวลาโทโทรโท ร, โทรอยู่เรื่อยๆเนี่ยจิตจะสว่างขึ้นมาโอ้สว่างเลยเห็นไหม พูดโถ่ผูโสาม ท, ทีเองสว่างแล้วเห็นั้ยเป๊ะมากเลยหมอขอบใจมากหมออนนาณาไทยเป็นิการเศรษฐีเดินออกมาถึงประตูเมืองประตูเมืองเปิดด้วยอนุภาพของเทวดานะพอเดินมาเนี่ยทางทิศเหนือของเมืองเนี่ยก่อนจะถึงวัดเวลุวันเนี่ยนะจะต้องผ่านป่าชา้ารู้จักป่าช้าไหมที่ฝังศพป่าช้าเนี่ยก็คือที่ชุมนุมของศพของผีใช่ไหม <c oughs> ทีนี้อา น, นาถวินิการเศรษฐีเนะี่ยเดินออกประตูเมืองแล้วนึกได้ว่าตรงนี้เป็นป่าช้าใจขณะนั้นไม่ได้นึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วนึกถึงผีพอใจนึกถึงผีลืมพุทธโทลืมนึกถึงพระพุทธเจ้านะแสงสว่างดับก็มืดกลัวนึกถึงผีแล้วยังดันมืดอีกไอ้แสงสว่างที่เคยมีดับลงไปก็เลยกลัวกลัวผีหยุดเดิน ไม่ก้าวเท้าต่อหยุดเดินนะกลัวเวลาเรากลัวแล้วก็จะทำอะไรไม่ถูกใช่ไหมยืนนิ่งๆเทวดาก็มากระซิบข้างหูอนาถบาิกาเศรษฐีบอกท่านเศรษฐีอย่ากลัวไปเลยก้าวหนึ่งของท่านเนี่ยมีค่ามีค่ามากเพราะท่านกำลังก้าวหาเดินไปหาพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐของโลกผู้จะชี้ทางให้ท่านพ้นทุกข์ได้ชี้ทางท่านดับทุกข์ของท่านได้ ก้าหนึ่งของท่านจนเก้าไปเถิดเก้าซ้ายเก้าขวาก็เก้าเถิดขอให้ได้เก้าสักเกหนึ่เถิดขอให้ใจระ ล, ลึกถึงพระพุทธเจ้าเอาไว้อย่าได้ลืมพระพุทธเจ้านาถพฤติกาก็นึกขึ้นได้ใช่เราจะไปหาพระพุทธเจ้าใจก็นึกถึงพระพุทธเจ้าเลยพอใจหาพระพุทธเจ้าลืมผีลืมผีนึกถึงพระพุทธเจ้าลืมพระพุทธเจ้านึกถึงผี ใช่ไหมอันนี้พอเทวดามากระซิบข้างหูบอกว่าเก้าไปเถิดเก้า1ของท่านมีค่ามากมีค่ามากกว่าทรัพย์สินของท่านที่มีเป็นเป็นกดโกรธกดโกรธคือ10ล้านหลายหลหลายหล้านทรัพย์สินของท่านเนี่ยไม่มีค่าเลยเทียบไม่ได้กับหนึ่งเกของท่านเลยเทวดาบอกกับเศรษฐีอย่ายงนี้นะเศรษฐีก็นึกถึงพระเจ้าแล้วใช่พอนึกถึงพระเจ้าก็สว่างขึ้นมาใหม่สว่างขึ้นใหม่ก็เดินเดินไปสองก้าวเอ๊ะจริงๆตริงถุแถบนี้มันป่าช้า พอนึกอย่างนี้คือลืมพระพุทธเจ้าใช่ไหมนึกถึงป่าช้าถัดจากป่าช้าก็คือนึกถึงผีพอนึกถึงผีก็ลืม พ, พุทธเจ้าแล้วก็ดับความสว่างในใจก็ดับเพราะไม่ได้ไปถึงพระพุทธเจ้าแล้วพอถึงตอนนั้นก็หยุดหยุดกลัวผีอีกทีกลัวผีเทวดาต้องมากสิบต่อเดินเถอดท่านก้าวหนึ่งของท่านจะมีค่ามากกว่าทรัพย์สินที่บ้านท่านทั้งหมดเลย ให้ทรัพย์สินของท่านกับทรัพย์สินของเพื่อนมารวมกันยังไม่มีค่าเท่ากับ1นก้าวของท่านนับแต่ น, นี้ไปเศรษฐีคึกขึ้นได้ว่าใช่เราจะเดินหาพระเจ้านึกถึงพระเจ้าอีกก็จิตสว่างอีกความเข้มข้นของจิตของเขานะนึกถึงพระเจ้าด้วยความแน่วแน่มากเลยนะทําให้สว่างขึ้นมาใหม่ขณะนั้นยังไม่ยังไม่เช้าจริงนะยังไม่เช้าจริงพอสว่างใหม่ก็เดินได้มีกําลังใจเดินต่อเดินไปเดินไปเอ๊ะ ไอ้นูน น, นูตรงนั้นมันหลุมศพรือเปล่านึกถึงอะไรนึกถึงผีตอนนึกถึงผีนึกถึงพระพุทธเจ้าไหมเพราะจิตจิตเนี่ยทำงานทีละอย่างรู้ได้ทีละอย่างถ้ารู้พระพุทธเจ้าจะไม่รู้อย่างอื่นถ้ารู้ถึงผีก็ไม่รู้ถึงไม่รู้อย่างอื่นรู้แต่ผีเข้าใจไหมพออย่างนี้แล้วพอนึกถึงผีแล้วก็ลืมพระพุทธเจ้าก็เลยความสว่างที่สว่างอยู่ก็ดับ พอดับไปก็กลัวตอนกลัวก็เลยไม่เดินต่อเทวดาต้องมากระซิบถึงสามครั้งครั้งที่สมก็บอกว่าให้ทรัพย์สมบัติของท่านทั้งของท่านทั้งของเพื่อนทั้งพระราชาทั้งหมดเลยเนี่ยก็ยังไม่มีค่าเท่ากับหนึ่งเก้าของท่านที่จะเดินไปหาพระพุทธเจ้าพอบอกหนึ่งเกไปหาพระพุทธเจ้าเศรษฐีก็ระลึกถึงได้ว่าใช่เราจะเดินไปหาพระพุทธเจ้าสว่างใหม่นึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วสว่างใหม่ ใจใจที่นึกถึงพระพุทธเจ้าจะสว่างขึ้นมาบรรยากาศรอบๆก็สว่างคราวนี้ไม่วอกแวกแล้วใจของเศรษฐีไม่วอกแวกเลยนะอะไรข้างๆก็ไม่วอกแวกเลยนึกถึงจะหาพระพุทธเจ้าอย่างเดียวเดินหาพระพุทธเจ้าใจก็สว่างไปตลอดเลยเดินไปจนถึงวัดเวรุวันตอนนั้นพระพุทธเจ้ากําลังเดินจงกรมเดินจงกรมเพื่อเพื่อที่ตรวจโลคตอนนั้นนะ พระเจ้าจะมีงานของท่านอยู่เป็นประจำคือเดินจงกรมตอนใกล้รุ่งใกล้ ร, รุ่งเหมือนชื่อนี่เลยเนาะไม่ได้เดินบนบนบนตัวโยมนะเดินตอนใกล้รุ่งคือยังไม่สว่างพอเดินไปแล้วเนี่ยท่านจะทจําใจยังไงของท่านก็ไม่รู้แล้วก็มีจะมีจะมีแสงของจิตของคนที่สมควรจะโปรด มาปรากฏของกับจิตของท่านแ้วท่านก็ ร, รู้ว่าเดี๋ยววันนี้จะโปรดใครวันนี้ท่านเดินจงกรมเพื่อรอจะโปรดเศรษฐีคืออนนาถมินิกาเรเศรษฐีอนนาถมาินิกาเรเศรษฐีเดินมาจนเข้าในเขตวัดเห็นพระพุทธเจ้าเดินจงกรมอยู่ก็ดีใจเข้าไปกราบเห็นแล้วรู้แล้วได้ว่าต้ององค์นี้แน่เลยที่ว่าเป็นพระพุทธเจา้าไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นมาก่อนแต่เห็นพระรักมีของพระพุทธเจ้าเนี่ย มั่นใจได้ว่าองค์นี้แน่เลยเข้าไปกราบเข้าไปกราบแล้วขอฟังธรรมพระเจ้าทักรู้กนสุทธตระรู้ชื่อจริงด้วยทุกคนทั่วๆไปเนี่ยจะรู้แค่ว่าอนาถบินิกาเศรษฐีพระเจ้าทักชื่อจริงเลยทําให้อนาถบินิกาเศรษฐีเนี่ยโอ้ท่านรู้จักชื่อเราได้ยังไงคนทั่วไปจริงๆแล้วเนี่ยที่ออกสื่อกันอยู่เนี่ยรู้จักในนามแค่อนาถบินิกาเศรษฐีชื่อจริงไม่ค่อยรู้ ก็เลยยิ่งศรัทธาก็ไปใหญ่เลยฟังธรรมฟังธรรมตรงนั้นเนี่ยเพียงแค่ไม่มากพระเจ้าแสดงธรรมนิดเดียวเท่านั้นเองสกิจให้เห็นสภาวะอะไรสักนิดหน่อยเท่านั้นเองนะบราหลักพิกาเศรษฐีก็บรรลุเป็นพระโสดาบันพร้อมๆกับแสงอรุณขึ้นพอดีเลยรู้ว่าที่เดินมาตลอดเนี่ยยังไม่สว่าง ยังไม่สว่างที่เล่ามาเนี่ยนะเป็นเกร็ด ช, ช่วงหนึ่งของอนาถาวินิการเศรษฐีก่อนที่จะบรรลุธรรมถ้าอนาถาวินิการเศรษฐีนะกลัวผีวิ่งกลับบ้านวันนั้นก็ไม่บรรลุธรรมแต่อนาถาวินิการเศรษฐีมุ่งอยู่แต่ว่าจะไปหาพระพุทธเจ้าใจใจเนี่ยมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอยู่ตลอดเดินไปเพื่อเพื่อจะไปพบพระพุทธเจ้า เราเดินครั้งนี้นะเหมือนเดินไปหาพระเจ้านะแต่พระเจ้าไม่ได้รออยู่ที่วัดนู้นนะมันอยู่ที่ใจเรานะเหมือนอนาถาพิทิศกเศษฐนะีนึกถึงพระเจ้าใจก็สว่างขึ้นมาทันทนะีเราเดินไปเนี่ยนะตอนนี้มันไม่มืดแต่ถ้าเราลืมลืมกายลืมใจนะใจจะมืดทั้งทั้งที่สว่างอยู่เนนะใจจะมืดเพราะลืมหลงกายมีอยู่ก็ลืม ใจหลงไปก็ไม่รู้ใจลอยใจมีโมหะใจมืดใจมัวดังนั้นเราเดินเนี่ยกับกับเวลากับอนานาบินิกาเศรษฐีนะแต่จุดมุ่งหมายเดียวกันจุดมุ่งหมายเดียวกันนะเราเดินตอนสว่างใจต้องสว่างด้วยใจสว่างคือใจที่รู้ตัวรู้ว่ากายกาลังเคลื่อนไหวอยู่ถ้าใจเผลอไปรู้ว่าใจมันเคลื่อนไหวไปใจมันเคลื่อนออกจากความรู้ตัวให้รู้ทัน นะใจลอยให้รู้ทันใจมีใจลอยไปแล้วไม่รู้ทันจะเกิดกิเลสไม่ตัวใดตัวหนึ่งไม่ราคะก็โทสะไม่มีราคะไม่มีโทสะก็ใจลอยธรรมดามันลอยไปแล้วไม่รู้ทันรู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นหลังจากใจลอยก็ได้ความรู้ตัวในการเดินคือรู้กายว่ากําลังเคลื่อนไหวอยู่หรือรู้จิตที่มันเคลื่อนไหวไปนะ รู้ว่ามันเคลื่อนไหวแล้วไม่ชอบใจรู้ทันความไม่ชอบใจต่ออีกทีรู้ว่ามันรู้แบบไม่เป็นกลางรู้แล้วชอบใจรู้แล้วไม่ชอบใจก็คือไม่เป็นกลางรู้ทันความไม่เป็นกลางของใจอีกทีต่อจากที่รู้นั้นอีกโดยหลักแล้วก็คือมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางพเราจะมีสติได้ก็คือรู้กายหรือรู้ใจสองอย่าง ถ้าไม่รู้สองอย่างนี้คือไม่มีสติตามความเป็นจริงคือมันเดินอยู่มันเคลื่อนไหวอยู่ก็รู้ตามจริงจิตมันลืมไปก็รู้ตามริงว่าจิตมันลืมจิตมีมีความโกรธรู้ทันว่ามีความโกรธรู้ตามจริงนะจิตมันมีการไหลแสดงความไม่ตั้งมั่นของจิตรู้ทันความไม่ตั้งมั่นตั้งมั่นพอดีรู้แล้วไม่ชอบใจมันแสดงความไม่เป็นกลางรู้ว่าไม่เป็นกลางเป็นกลางพอดี ตอนเผลอไปคือขาดสติรู้ทันความเผลอมีสติพอดีรู้สิ่งผิดนะเดินไปเนี่ยไปดูสิ่งผิดโดยมีเป้าหมายว่าเราจะเอาธรรมะธรรมะไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ที่นู่นไม่ได้อยู่ในห้องนี้อยู่ที่กายและใจมีสติรู้กายรู้ใจนะเดินธรรมะญาตราก็คือเดินมารู้กายรู้ใจธรรมะก็อยู่กับกายกับใจของเราอยู่เนี่ยเดินไปมันก็มีธรรมะอยู่ตลอดแต่ถ้าเดินแล้วขาดสติ เดินครั้งนั้นไม่มีธรรมะเป็นโลกะยตราคราวนี้เราไปธรรมญยตรานะไม่ใช่โลกะยตรานะมีสติรู้กาย ร, รู้ใจในการเคลื่อนไหวในการเดินพอเข้าใจไหมนี่คือมาเตือนสติก่อนเดินเดินให้มีค่านะทุกก้าวของเราให้ให้มีค่าให้มีค่าเหมือนก้าวเดินของอนาถาบินิกเศรษฐีนะจำเอาไว้นะ